นมัสการนะคะนกักวิจารณ์วัฒนาแห่งนี้นะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาแล้วเดียนอยากจะเชิญชวนค่ะมานั่งนหน้าๆเลยนะคะมาร่วมกันอบอุ่นข้างหน้าเราจะได้มาในเดือนแห่งการขอบพระคุณนะคะเชิญข้างหน้าเลยค่ะเราขยับกันคนละสักสองสาแถวได้ไหมคะนะคะขอความร่วมมือเลยนะคะเราลุกกันเยืนเลยดีไหมคะขอบคุณค่ะช่วยรุกขึ้นเยืนเลยค่ะ ขณะที่เราลุกขึ้นยืนเราทักทายพี่น้องที่อยู่ข้างหน้าข้างหลังนะคะอาจารย์วาระวันนี้มาเทศนาเขาจะได้อบอุ่นด้วยนะคะเชิญข้างหน้าเลยค่ะเรียนเชิญข้างหน้าเลยนะคะค่ะขยับกันขึ้นมาเลยค่ะขอบคุณค่ะเดินแนวการขอบพระคุณนะคะยั้นอยากจะเชิญชวนเราอ่านพระวจะนะของพระเจ้าด้วยกันก่อนที่เราจะร้องเพลงข้างหน้านี้นะคะ เราจะอ่านข้อพระคำซึ่งเชิญชวนเรานะคะจงโมทนาพระคุณพระเจ้าและร้องทูนออกพระนามพระองค์จงให้บรรดาพระราชกิจของพระองค์แจ้งแก่ชนชาติทั้งหลายจงร้องเพลงถวายพระองค์ร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์จงเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ จงอวดพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ให้จิตใจของบิดาผู้สแสวงหาพระเจ้าเปรมปรีจงสแสวงพระเจ้าและพระกําลังของพระองค์สแสวงพระพาของพระองค์เรื่อยไปจงระลึกถึงการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงกระทําการอัศจรรย์และคําพิพากษาแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์นะคะเราจะร้องเพลงพระเจ้าขณะที่เรายืนอยู่ด้วยเพลงเนื้อโลกาด้วยกันนะคะใครๆจะตบมือก็เชิญเลยค่ะ เราได้ร่วมเป็นเปรมปรีในพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราและพระผู้ช่วยให้รอดของเรานะคะเป็นดินร่วมร้องเพรมปรีปรในที่สูงอันชื่นบานจากระวันชื่นชม ย, นยินดีพระสิริ ของเราของคองอยู่เนือโลกเรายกยกพระนามเราเราสรรเสริญจความยิ่งใหญ่ไม่มีใครและสิ่งใดเท่าเทยาเราผู้สรงฤทธิ์เกียรติข้อลาคั้นแรกอีกเทีย่ยวนึงนะคะแฟนตินร่วมร้องเพลงปรี ในที่สูงอันชื่นบานจักรวาลชื่นชมยินดีราศี เราทรงยุติดทรมสงรอบรู้ในทุกอย่างประปัญญาเนื้อความเข้าใจ ยู ครอบครองของพระเจ้าของราคักเชิญนั่งค่ะและเราคิดถึงสิ่งที่โปร่งครอบครองพระองค์ไม่ได้ต้องการใช้อํานาจปกครองเราแต่พระองค์ได้ทรงโปรประทานความรักของโรร่งสาแดงกับพวกเราซึ่งเป็นคนบาปนะคะให้เราคิดถึงความรักของพระองค์ เมื่อกิดจึงความรักของลราข้าจึร้องเพลงและสรรเสริญโดยคำจับปากของข้าถาวายบูชาแด่พระองพระเยะสุใจของข้ามันคงเสื่อ ต, ต่อพระองค์ผู้เดียวเพราะพระองค์ทรงรักข้าสงเช่นประชาชเพื่อไทยข้า เมื่อคิดถึงความรักเมื่อคิดถึงความรักของเราข้าจะร้องเพลงและสั่นเส้นโดยคําจาระของกถาถวายบูชาแดพ่พระปงค์ระเยสุใจของข้ามันคงซื่อตรองต่อเระองผู้เดียเพราะเระองทรงรักก Song set, perform for Thai k i n Kasamsa Rao. Our i ชีวิตนี้เป็นที่พ่อประชายให้เราบอกกับรงโปรดนนำคาสันรเซิร์งรงด้วยใจมอบความคิดและทุกสิ่งที่ข้ามีแด่พระองค์ข้านำมัดสการพระองค์ช่วชีวิต ชีวิตนี้ที่ข้ามาชีวิตนี้ที่ข้ามทรงประทชีวิตนี้มีเพียงรงครอบร อ, รองข้ารสรรเสริญกเรื่อง ชีวิตชั่วชีวิตาจะ ส, สรรเสริญเรา จะล้อแต่ต้นอีกเที่ยวนางนะคะอยากให้ชีวิตนี้เป็นที่พอพระทัยโปรดนำคาสันระเสนพระอ์ด้วยใจหมอบความคิดและทุกสิ่งที่ขอมีแด่พระองค์ขานมัสการพระองค์ ช่วยชีวิชีวิตนี้ที่ข้ามีทรงประทานชีวิตนี้ขมีเพียงรกรอบกรข้ารรสารกเรื่องราวจากใจเพราะความรัก สรรเสริญพระองช่วชีวิ สันสานพรชัวชีวีชัวชีวีชัวชีวิ ต, วว ต, วว ต, ววตของท่านถ้าจะสันสานพระชัวชีวีอยากจะเชิญชวนเราได้ไอถามเป็นการส่วนตัวนะ สิ่งที่พระองค์พอพระทัยก็คือจิตใจของเราที่มอบถวายให้กับพระองค์ไม่ว่าใจนั้นอาจจะดูเหมือนอ่อนแอฟกช้ำทุกระทรมหรือมีความแข็งแกร่งให้เรามอบความคิดและจิตใจของเราแด่พระองค์และทุกสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตของเรา ได้นำมาเพื่อสรรเสริญพระองค์พระองค์รู้จักเราเป็นอย่างดีเพราะพระองค์เป็นผู้ประทานชีวิตให้กับเราให้เรามอบชีวิตของเราให้พระองค์ทรงครอบครองให้เราได้ใช้เวลานี้อัยฐานรับการชำระจากพระองค์เจ้าขอพระองค์ได้ส่งเข้ามาชำระความคิดจิตใจของเราเพื่อว่า ชีวิตของเราจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ไม่ใช่ความดีของเราไม่ใช่การกระทำของเราแต่เพราะพระคุณของพระองค์เราจึงได้มานั่งอยู่จาเพาะพระพักของพระองค์ได้สามารถเข้าหาพระองค์ได้หน้าต่อหน้าโดยความสนิทสนมใกล้ชิดพระองค์ไม่ได้ลังเกียจเรา โปรงทรงรักและห่วงแหนเราและปรารถนาจะมอบสิ่งดีให้กับเราให้เราได้บอกกับปราขอโปรงได้ทรงโปรดชำระเราทั้งหลายให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นข้าแต่พระเจ้า ข้าองลายอยู่ที่นี่ข้างค์ลายเป็นผู้ชาติของพระองค์มาเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยความยําเกรงขอพระองค์ได้ทรงโปรดแลดูจิตใจของทุกๆคนที่นี่ชีวิตของเราที่มานั่งอยู่ที่นี่ก็ต้องการที่จะพึ่งพระองค์ปรารถนาที่จะใกล้ชิดพระองค์ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ที่จะตรัสกับเราโดยตรง ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดชำระความผิดบาปของเราให้ความบาปทั้งสิ้นได้ไกลพ้นไปจากคาบทั้งหลายขอทรงเวียงความผิดบาปเหล่านั้นออกไปไกลให้ไกลและให้เรารู้ว่าพระคุณของพระเจ้าอยู่ใกล้เราโปรงทรงห่อหุ้มเราไว้ด้วยพระคุณของโปรงเราขอบคุณโปรงเจ้าเรามาที่นี่เพื่อการนมัสการโปรงมาที่นี่เพื่อรับ สิ่งดีที่มาจากพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดแลดูและเอ็นดูครับทั้งหลายขอขอบพระคุณพระในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนในการที่เป็นอกกระลังบะเบลงกันไปนั้นดิ้นอยากจะเชิญชวนเราได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่สองข้อ1นึถึงสิด้วยกันนะคะนั้นคิดว่าทั้ง10ข้อนี้นั้นมีคุณค่าที่จะเตือนสติเราเราเร า, เรามใจเราถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีมาเหนือเรานะคะ่ะ ท่านทั้งหลายตายโดยการละเมิดและการบาปของท่านเมื่อก่อนพวกท่านเคยดำเนินชีวิตในการบาปนั้นตามวิถีของโลกนี้ตามผู้ครอบครองที่มีอำนาจในฟ้าอากาศคือวิญญาณที่ทำกิดอยู่ในพวกคนที่ไม่เชื่อฟังในเวลานี้เมื่อก่อนเราทุกคนเคยประพฤติเหมือนพวกเขาตามตนาของเนื้อหนังคือทำตามความต้องการของเนื้อหนังและของความคิด โดยวิสัยแล้วเราจึงเป็นคนที่สมควรได้รับการลงโทษเหมือนอย่างคนอื่นๆแต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ถึงแม้เราจะเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิดพระองค์อย่างทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับภคิ์พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณและพระองค์ทรงทาให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับภคิ และส่งให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์เพื่อว่าในยุคต่อไปพระองค์จะทรงสาแดงพระคุณอันอุดมเหลือล้นของพระองค์ด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูคริสต์เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดําเนินตามนอยากจะเชิญชวนเราได้ร้องเพลงพระคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะเพื่อที่เราจะได้ แล้วลึกถือพระเมตตาคุณของพระองค์ที่กระทำให้เราได้รับความรอดเราไม่ต้องรับการรับโทษจากการละเมิดเพราะความบาปของเราอีกต่อไปนะคะพระคุณพระเจ้านั้ น, นชิินใจช่วยได้ l r a h มาสันเสริมพระเยซูคริสต์เจ้าผู้เป็นเหตุให้เราต้องหลายได้มายืนอยู่พระพักของพระเจ้าได้หน้าต่อหน้านะคะพระเยซูพระผู้ช่วยไม่มีผู้ใดเปรียบเราองคในทุกๆวันฉันอยากสัเสริญความรักยิ่งใหญ่ของพระ ผมจำเราองค์เป็นที่กำบงังผมประการและกำลังใจเชิญทุกชีวิตและทุกทุกสิ่งพากันสรรเสริญพระ เสรประจอลทั่วโลการ่วมร้องเพลงพลังและฤทธิ์เดชสันราศานกนสัตต์าผู้เก่ากกบดลงและทันเล็กคือกันนอส่งเสียงร้องสันราศานฉันร้องชื่นชมยินดีในฟีประหารฉันจะรัก วังไม่มีสิ่งใดจะเปรียบแปลงสัญญากับพราไม่มีสิ่งใดจะเปรียบปางสัญญากับพราไม่มีสิ่งใดจะเปรียบปางสัญญากับพรา ที่ประชมุมเรยลุกขึ้นยืนนะคะทวายเกียรติพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้เป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้เข้าสู่ความเป็นผู้ชอบธรรมร่วมกันในองค์พระเยซูคริสต์นะคะ บอกกับพระองค์เราปราชันนาได้มาใกล้พระเยซูเราจะถวายด้วยเพลง ทรงเป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้เป็นผู้ชอบธรรมได้รอดพ้นจากความผิดบาปนะคะเชิญนั่งค่ะเวลานี้อยากจะเชิญชวนเราได้อ่านพระคำตอนหนึ่งด้วยกันนะคะหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ18ซึ่งเป็นข้อเดียวนะคะและก็จำง่ายด้วยเราจะอ่อนอ่านสองเที่ยวนะคะเพื่อว่าให้พระวจนะของพระเจ้าได้ซึมซับเข้ามาก่อนที่ เราจะมีโอกาสได้ฟังพระคำนะค ะ, นะคะเราจะอ่านพร้อมกันสองเที่ยวนะคะหนึ่งสองสามจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสเพื่อท่านทั้งหลายจงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสเพื่อท่านทั้งหลายและก่อนที่เราจะได้ฟังเทศน์ฉันอยากจะเชิญชวนเราได้ร้องบทเพลงหนึ่งซึ่งเดือนนี้เราเป็นเดือนที่เราเน้นย้ําเรื่องการขอบพระคุณนะคะบทเพลงนี้ชื่อว่าเราขอบพระคุณ ทุกครั้งที่ย้อนมองกลับไปในวันวานฉันได้เริ่ต้นมาอย่างไรเดินตามพระองค์มชีวิตไว้วางใจพระองค์นให้มีวั น, น ฟัน เชื่อแน่ว่าเมื่อพระองค์สถิตยอยู่กับเราและเมื่อพระองค์ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางเราพระพรจะหลังไหลเหมือนหยาดฝนโปรยปลายผ่านมาทางพระว จ, จนะของพระเจ้าในบ่ายวันนี้เราจะมีโอกาสได้ฟังพระว จ, จนะของพระเจ้าจากอาจารย์วารามีชูทนใ น, ในหัวข้อการขอบคุณเขาเรียนเชิญอาจารย์เลยค่ะ สวัสดีครับขออีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับสวัสดีครับโอเคครับผมมีคนอยู่ที่นี่จริงๆนะครับเมื่อเช้านี้ผมพึ่งเทศสสนาเสร็จไปแล้วก็เมื่อตอนกลางวัน ก, ก็เดินทางมานี่แล้วก็มีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะคำของพระเจ้าผมชื่อจันวาละมีชุตรนนะครับถ้าเกิดใครไม่เคยเจอกันตอนเช้าก็มาเจอกันตอนตอนบ่ายได้บางทีนะครับจริงๆหัวข้อของเรื่อง การขอพระคุณที่เราจริงๆหลายหลายคริสตจักรนะครับตั้งให้เป็นวันนี้แล้วก็ทั้งเดือนตลอดทั้งเดือนนี้เพราะว่ามันตรงกับ เ, เดือนของ Thanksgiving ที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับถ้าเกิดคนยังไม่รู้จัก Thanksgiving หรือว่าเรื่องราวของ Thanksgiving จริงๆเพราะว่าไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมไทยจริงๆ Thanksgiving เป็นเรื่องราวของอกลุ่มคนที่เดินทางออกมาจากประเทศลอนดอนจากจากประเทศอังกฤษกรุงลอนดอนเนี่ยเดินทางในปี1000 606แล้วก็เดินทางด้วยเรือ3ามลำแล้วก็ไปตั้งลกลากใหม่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วขณะที่เขาตั้งลกลากอยู่ในเมืองเล็กๆชื่อเจมส์ทาวน์นั้น mm hmm. ก็เจอกับความโหดร้ายข อ, ของชีวิตก็คือเจอกับการโจมตีของอินเดียนแดงเจอกับพายุที่มันเป็นพายุหิมะที่ฆ่าชีวิตความหนาวเหน็บแล้วก็การที่ไม่มีอาหารอยู่นั้น เขาบอกว่าคนที่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมี500ชีวิตเนี่ยเหลือ60คนและขนาดที่ทุกคนล้มตายกันไปหมดเลยเขาเขาก็คุกเข่าลงแล้วเขาก็อธิษฐานหาพระเจ้าว่าจะทำยังไงได้ที่เขาจะมีชีวิตรอดแล ะ, ะไม่ช้าเมื่อเขาอธิษฐานเสร็จเขาก็ผ่านช่วงเวลาวิกฤตไปได้และก็มีเรือที่มาจากประเทศอังกฤษนขนสเสบียงอาหาร ตามเข้ามาและเขาก็รอดชีวิตได้เพราะฉะนั้นจริงๆเราเราเราไม่ได้รู้จักเรื่องราวนี้เพราะว่าในวัฒนธรรมไทยก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้แต่ว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้หลักการในการที่เราจะเข้ามาขอพระคุณพระเจ้าได้ใ น, ใ น, ใ, นในหลายวิธีในบ่ายวันนี้จริงๆพระวจนะคำของพระเจ้าอยู่ในพระคำที่เราเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้1นึ่งเทสโลนิกาบทที่5 ในเช้าวนนี้จริงๆผมขอโทษในบ่ายวันนี้จริงๆผมอยากจะบอกว่าผมดีใจที่พี่บี น, ำนำํานมัสการแล้วก็พูดถึงการที่เราได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าเป็นเป็นเรื่องที่จําเป็นที่คริสเตียนหลายคนจําเป็นต้องได้ยินแต่ผมถามจริงๆนะขณะที่เรานั่งอยู่ในที่นี้เราแต่ละคนนั้นก็รู้ว่าเรารอดเรารู้ว่าถ้าเกิดคืนนี้เราตายไปโอเคพระเจ้าจะเราจะเจอกับพระองค์ ไอ้ us, ความไอ้ความรอดนี้ไอ้ความรอดนี้เป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องชัวจริงๆในชีวิตแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างมันมีมันมีอาจจะเรียกได้ว่านิสัยบางสิ่งบางอย่างที่ที่อยู่ในชีวิตของเราที่มันยังติดกับเราแล้แล ว, แ ล, วแล้วถึงแม้ว่าโปรงจะตายไถ่บาปแทนคุณแล้วผมนะแต่ น, สนิสัยเหล่านี้มันยังอยู่ในชีวิตของคุณแล้วผมนิสัยเหล่านี้ยังแน่นอนอะ่ะไม่ต้องคุณอะ่ะอยู่ในตัวผมก็ได้ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมบอกได้เลย ถึงแม้ว่าผมจะเป็นสิทธยาพิบาลของโบสถ์และถึงแม้ว่าผมจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่อาจจะยังไม่ได้ปล่อยมือยังไม่ได้ให้พระเจ้าได้ชำระแล้วมันเป็นนิสัยลึกๆอยู่ในชีวิตของผมหนึ่งในนิสัยนั้นให้เดาเลยครับหนึ่งในนิสัยนั้นของผมคือความขี้เกียจทุกคนในที่นี้ไม่รู้อ่าอ่าไม่คงไม่รู้จักนิสัยนี้มั้งทุกคนในที่นี้ขยันหมดเลยเนาะความขี้เกียจเป็นหนึ่งในนิสัยที่ที่ผมรู้สึกว่า ถแม้ว่าพระเจ้าจะพระเยซูตายบนไม้กางเขนแล้วนะแต่ว่ามันมีไอ้นิสัยนี้ยังติดอยู่ในตัวผมรู้สึกว่าชอบผัดวันประกันพรุ่งผมก็ไม่ชอบไม่ชอบนิสัยนี้แต่มันยังติดอยู่ อ, อ, อีกหนึ่งนิสัยที่ที่ผมนั้นรู้สึกว่ามันยังติดอยู่ในตัวของเรานะนิสัยที่เราไม่ได้ยอมให้พระเจ้าปล่อยที่ผมไม่ได้ยอมคือนิสัยของการขับรถผม ม, มีหลายคนบอกผมว่าผมเนี่ยเป็นศิษยาพิบาลได้ทุกที่ แล้วก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าได้ทุกแห่งนอกจากเมื่อผมขึ้นรถแล้วจับพวงมาลัยความเป็นศิทธิยาพิบาลผมหมดไปในทันทีการเป็นผู้รับใช้เพราะว่าเวลาที่ผมขึ้นรถมันมีนิสัยเดิมมันมีมันนี่ต้งสิ่งบางอย่างในตัวของเราที่มันเขาเรียกว่าครอบงํามันจะหงุนงง่ายมันจะอารมณ์ร้อนแล้วมันจะขับรถเร็วแล้วมันก็จะทําตามใจตัวเองนิสัยอีกนิสัยหนึ่งที่ผมคิดว่าคุณจะเข้าใจได้ก็คือนิสัยของการ ทานอาหารตามใจชอบอันนี้ก็เป็นนิสัยที่จริงๆผมก็ผมอยากจะไดเอทอยู่นะแต่ว่าก็ก็เป็นนิสัยที่มันติดอยู่อยากจะดูแลพระวิหารของพระเจ้าแต่ว่าทุกครั้งที่เห็นหมูกรอบนะโอ้โหมันมันมันไม่ไหวจริงๆอะ่ะแล้แลนิสัยเหล่านี้มันมันติดอยู่ในตัวของเราแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เรานี้อยากจะให้พระเจ้าแก้ไขยอยากให้พระเจ้าเอาออกนะแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ติดอยู่จริงๆ ในเช้าในในในบ่ายวันนี้ผมผมอยากจะบอกว่ามีนิสัยหนึ่งที่มันติดตัวเรามาแล้วมั น, ม, นมันมันหมินเมกับความบาปเลยละ่ะแล้วเป็นนิสัยที่คุณละผมนั้นมีอยู่ติดตัวแล้วมันเป็นประจําด้วยเอาฟังดีๆคุณเชื่อไหมว่านิสัยนี้อยู่กับคุณณะตอนนี้เลยคือนิสัยของการบน่น เราเป็นคนเราเป็นคนที่ชอบบ่นและหาเรื่องบ่นได้ตลอดเวลาแล้วมันง่ายมากสาหรับตัวผมที่ผมจะในสถานการณ์ที่ดียังหาสิ่งที่ไม่ดีในขนาดที่หลายครั้งผมสังเกตตัวเองว่าขนาดที่ผมนั่งนมัสการพระเจ้าผมจะเพราะว่าผมเป็นนักดนตรีด้วยผมก็จะสังเกตได้ยินโอ้ยขอนี้ไม่ใช่เฮ้ยแต่ว่าถามตัวเองจริงๆเหอะ ในใจผมผมนมัสการพระเจ้าว่าผมควรจะนมัสการพระเจ้าแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมหาเรื่องบนหาข้อผิดหาข้อจุดก็มันเป็นนิสัยที่ติดตัวตัวผมมาด้วยมีวันหนึ่งผมพาครอบครัวของผมลูกลูกชายลูกสาวภรรยามผมไปทานร้านอาหารร้านอาหารหนึ่งที่ผมชอบมากเลยชื่อร้านอาหารชื่อเบรูตอยู่เพลินจิเซ็นเตอร์ก็เป็นร้านอาหารที่เราทานค่อนข้างเดือนละครั้งก็ได้เราก็ไปทาน แล้วก็ชอบเป็นอาหารเลบานอนแล้วเราก็กินมีฮัมมัสมีเราก็สั่งมาเหมือนเดิมทุกอย่างก็เหมือนเดิมแต่ขณะที่เราปิด iPad มันควรจะเป็นช่วงเวลาของความน่ารักช่วงความใช้เวลาด้วยกันของครอบครัวของผมปรากฏว่าขณะที่เรานั่งอยู่สังเกตดูนะเดี๋ยวเดียวลูกผมก็จะเริ่มเริ่มหาหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มบ่นให้ได้มันจะมาละเนี่ยไม่เห็นอร่อยเลยอันนี้ไม่ชอบเลย อันนี้รสชาติแปลกๆซึ่งทุกอย่างจริงๆเหมือนเดิมนะอุ๊ยอะไรเนี่ยอันนี้ไม่เคยกินอุ้ยอันนั้นไม่เอาอันนี้เหม็นน่ะเอ๊พอเอาซุปมาอุ้ยซุปซุปเย็นไปอุ้ยอุยซุปร้อนไปเอา้ามันบ่นอาหารได้บ่นได้ทุกเรื่องเลยนะแล้วขนาดที่อาหารทุกอย่างก็เหมือนเดิมก็หาวิธีที่จะเอ้ยคราวที่แล้วนั่งใกล้พอ่อคราวนี้จะนั่งใกล้แม่อา่าทำไมคนนี้ได้มากกว่าคนนี้แล้วขนาดที่ ที่เราพยายามที่จะให้ทุกอย่างมันดําเนินไปด้วยความสนุกสนานแล้วความาาสันติสุขนะความชื่นชมยินดีนะปรากนว่าพอเริ่มมีการบน่นมันก็บน่บนบน่นบ่นแล้วผมสังเกตนะพอลูกๆเริ่มบ่นนะใครจะบ่นต่อรู้ไหม <laughs> พอลูกๆเริ่มบน่นปุ๊บแม่มาแล้วครับแม่ก็ hey, ทำไมจะบ่นอะไรแม่ก็เริ่มบน่นเกี่ยวกับการบ่นของลูกพอแม่เริ่มบน่นใครก็บ่นต่อครับก็ตัวผมไม่เห็นแล้วครับก็สังเกตเห็นได้เลยว่า จากทุกอย่างที่มันกำลังไปได้ดีจากสิ่งที่มันกำลังสวยงามแล้วก็เป็นความราบลื่นเรามีนิสัยติดตัวบางสิ่งบางอย่างที่มันคอยสะกิดหาช่องหาอะไรที่มันอคอยที่จะบน่นหาอะไรคอยที่มันจะจะดูในสิ่งที่มันผิดให้ได้แล้วเรามีความสามารถพิเศษในการบ่นได้ทุกเรื่องคุณและผมที่นั่งอยู่ในห้องนี้ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วไม่ต้องยกมือนะ ดูจากหน้าแล้วก็รอยยิ้มของคุณก็รู้ว่าคุณเข้าใจผมดีเพราะพรามันเป็นธรรมชาติของเราเราบ่นตั้งแต่หัวจดเท้าและขณะที่ทุกอย่างกำลังไปได้ดีในชีวิตของเราเราก็ยังหาจุดละแคะละคายเราบ่นเรื่องอะไรบ้างในชีวิตของเราอาถามจริงๆเราบน่นคุณและผมทุกวันเนี้ยขนาที่เป็นเดือนของ thanksgiving เดือนของการขอบพระคุณขณะที่คุณมาที่คืจากอาถามจริงๆในใจคุณบ่นเรื่องอะไรบ้าง ทำไมเมืองไทยมันเมื่อกี้สองวันที่แล้วยังหนาวอยู่เลยทําไมอากาศมันถึงเปลี่ยนแปลงทําไมมันร้อนขนาดนี้นะเราก็บ่นเรื่องอากาศทําไมเมืองเนี่ยปากซอยอโศกรถติดโอ๊ยจังหวะจะเข้ามาที่นี่โอ้ยมันต้องเราก็หาเรื่องบ่นเราก็บ่นเรื่องเรื่องของรถติดเรื่องของหน้าที่เรื่องของเจ้านายเรื่องของโอ้ยเราเราหาเรื่องบ่นได้เยอะแยะมากมาย ขณะที่เราบ่นเรื่องอากาศเราไม่รู้หรอกว่าคนอีกครึ่งโลกนั้นนะ่ะเขาอยากจะเดินทางมาที่เมืองไทยแล้วขณะที่ฝรั่งเขาบน่นเรื่องความหนาวไอ้คนไทยก็อยากจะบน่นไอ้ไปไปที่สหรัฐอเมริกามันมีหลายเรื่องในชีวิตของคุณแล้วบางคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะผมบอกให้เลยบ่ายวันนี้หลายคนบอกอาจารย์หนูไม่หนูไม่เป็นคนบน่นอ่ะหนูไม่พูดหนูไม่พูดแต่ผมบอกให้นะการที่ไม่พูดไม่ได้หมายความว่าไม่บน่น เพหลายครั้งขณะที่เราไม่พูดเราไม่เอ็กเพรสเราไม่แสดงออกมามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันอัดอัน้นเพราะมันเป็นธรรมชาติของเราแล้วมันจะออกมาโดยที่เราจะห้ามมันก็ไม่ได้มันจะมันจะออกมาเป็นเสียงอย่างนี้มันจะออกมาเป็นเสียงนี้เครได้ยินไหมเคยได้ยินนะเ ข, า ไ, นนะขาไม่ต้องบอลเขาแค่ได้ยินเสียงเราจะเห็นเราจะเห็นจาก หน้าตาของเขาเราจะเห็นจากการสายหัวของเขาเราจะเห็นจากลูกตาที่มันเหลือกขึ้นไปข้างบนนะเราเรารู้ทันทีเลยว่ามันไม่โอเคกับสถานการณ์บางสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเรามันเป็นมันเป็นทัศนคติที่แอบซ่อนอยู่ข้างในแล้ว ถ้าเกิดคุณไม่ระวังดีๆนะไอ้ทัศนคตินี้มันจะทําลายความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ในคริสตจักรความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้ามันจะทําให้คุณนั้นรู้สึกว่ามันไม่พอมันยังไม่พอขณะที่ทุกอย่างมันกําลังไปได้ดีมันยังไม่พอแล้วคุณสังเกตดูดีๆว่าไอ้ทัศนคติของการความความรู้สึกว่ามันมันยังไม่พอเนี่ยนะการบ่นเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นในยุคของเจเนอเรชันของเด็ก ที่กําลังเนี่ยยุค ต, ต่อไปเนี่ยมันจะยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นเราเคยได้ยินคําพูดนี้จากคุณพ่อคุณแม่เราใช่ไหมโอ้ยสมัยพ่อน ะ, นะเคยได้ยินใช่ไหมโอ้ยสมัยแม่นะแล้วสมัยปู่ย่าตายายของเรานะเขาเขาไม่บ่นเลยนะเขาเขาได้อะไรมาเขาจะถือว่าเป็นพระคุณเขาจะถือว่าเป็นพระพรเขาจะถือว่าเป็นโบนัสเขาจะถือว่าเป็นของแถมแต่พอมาในยุคสมัยนี้นะโอ้โหถ้าเกิดของไม่มันอร่อยแต่มันไม่อร่อยจริงๆนะคนก็บน่น เพราะว่าเราถือว่าทุกอย่างนั้นเราเรามีทางเลือกเรามีออปชันเราควรจะได้มากกว่านี้เราควรจะได้ดีกว่านี้เราคิดว่ามันเป็นสิทธิของเราถ้าเกิดคุณไม่ระวังคุณจะบ่นในเรื่องของสิ่งที่คุณรักด้วยพี่น้องครับโดยเฉพาะคนที่คุณรักคู่แต่งงานของคุณ สามีภรรยาของคุณลูกลูกของคุณคุณจะเห็นคนที่บ่นในบ้านมากที่สุดเลยเก็บอกบ่นเพราะอะไรแม่บอกว่าบน่นเพราะอะไรฉันไม่อยากจะบ่นหรอกนะแต่ฉันบน่นเพราะอ้าวไม่มีใครบอกเลยเหรอบน่อบนเพราะรักบ่นเพราะเป็นห่วงแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีมันมีสาเหตุลึกๆข้างในใจของเราว่าทําไมเราถึง ย, ยังบ่นอยู่ทําไมเราถึงยังเห็นความไม่พอหรือว่าความไม่พอดีมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ขับเคลื่อนให้ปากของเรานั้นต้อ ง, ต, องต้องพูดออกมาหรือว่าต้องแสดงท่าทีออกมารู้ไหมขณะที่ผมให้คําปรึกษากับคู่แต่งงานก็บอกว่าคู่แต่งงานใ น, ในการหย่าร้างกันเนี่ยนะในการหย่าร้างกันเนี่ยนะมีมีสองสาเหตุที่คนทะเลาะ ก, กันบ่อยที่สุดเลยสาเหตุแรกในคู่ทุกคู่เลย ท, ที่ที่เข้ามาคุยกับผมเนี่ยนะสาเหตุแรกไม่เรื่องเงินก็เรื่องเพศ แล้วสองสาเหตุนี้ก็เป็นสาเหตุที่คู่แต่งงานจะทะเลาะกันบ่อยมากเลยแต่ผมอยากจะสรุปบอกว่าจริงๆที่มันทะเลาะกันไม่ว่าจะเรื่องเองินเรื่องเพศเรื่องการคอมมินิเคชั่นเรื่องไม่ไว้ใจเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากอารเดียวเกิดขึ้นจากการที่คนคนหนึ่งคาดหวังว่าแฟนเราจะเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเจอกับความจริงของชีวิตแฟนเราไม่ได้เป็น อย่างที่เราคาดหวังสิ่งที่เราคาดคิดสิ่งที่เรายึดไว้ว่าเป็นสิทธิของเราเราควรจะได้อย่างนี้เราแต่งกับคนคนนี้เราจะเป็นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราได้อย่างนี้แล้วเราก็เปรียบเทียบแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันออกมาผ่านการบ่นเราจะรู้สึกว่าเราไม่พอใจกับสิ่งที่เราได้รับพี่น้องครับในในป่าวันนี้จริงๆแล้วพระวจนะคำของพระเจ้าที่บอกว่าจงจงขอบพระคุณพระเจ้าอะไรนะ จงขอบพระคุณในในทุกอะไรนะเดีวช่วยช่วยดังๆเด่๋ยวนะมั้ยจงขอบพระคุณในทุกกรณีจริงๆถามจริงทุกครั้งที่ผมอ่านพระคัมภีร์ขอ้อนี้ผมมีปัญหานะเพราะว่าผมถามตัวเองว่าขณะที่พระเจ้าขอให้ผมขอบพระคุณพระองค์ในทุกกรณีนั้นมันเป็นไปได้ยังไงมันทําได้ยังไงไม่มีใครที่จะสามารถาจะขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องเลวร้ายของชีวิตได้ไม่มีใครจะขอบพระคุณพระเจ้าใน โอเคผมเข้าใจว่าผมควรจะทําแต่มันทําจริงๆมันทําไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติของเรานั้นมันคือการมองในสิ่งที่แย่ธรรมชาติของเรานั้นคือการมองในสิ่งที่มันบกพร่องแล้วเราจะไปขอบคุณพระเจ้าในความบกพร่องอย่างนั้นได้อย่างไรเมื่อวันพฤหัสพี่น้องครับเมื่อวันพฤหัสตู่พบทรเป็นนักร้อง Love is โทรมาหาผมบอกไลฟ์พี่ไลฟม์มีเพื่อนเราคนหนึ่งชื่อคริสเขา เขากำลังสูญเสียแม่แม่ของเขาเนี่ยคืนวันพุธเนี่ยปวดท้องจะเข้าห้องน้าเป็นโรคเบาหวานธรรมดาฉีดไม่มีอะไรไม่มีโรคแทรกซอนวันหนึ่งปวดคืนวันพุธปวดท้องแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ออกมาจากห้องน้ําเสร็จปุ๊บก็รู้สึกวูบๆก็เลยบอกกับลูกชายแล้วก็อยู่ๆก็ฟุบลงไปแล้วก็หายใจไม่ออกขนาดที่ลูกกําลังปั๊มหัวใจสามีกําลังทํา CPR กําลังพยายามจะลื้อฟื้นคุณแม่นั้นหายใจไม่ออกอสิ้นลม ก็โรงพยาบาลก็รับรถไปแล้วก็ไปเอ า, เอ า, เ, อาเอาไปใส่ไว้ในห้อง ICU แล้วก็พยายามใส่เครื่องช่วยหายใจตอนนี้มีชีพจรแต่ว่าแต่ว่าการหายใจหายใจเองไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดแล้วในวันที่ผมไปเยี่ยมในวันพฤหัสนั้นผมยืนอยู่ข้างเตียงแล้วผมอธิษฐานแล้วผมเห็นหน้าของเพื่อนผมที่คุณแม่ของเขาเมื่อวันก่อนยังเป็นคนที่ดีอยู่ยังพูดคุยยังลุกจากเตียงตอนนี้กําลังจะสิ้นใจตา ย, ตายแล้วคุณหมอถามเขาว่าแล้วคุณจะให้เขาอยู่บนเครื่องนี้อีกนานเท่าไหร่ เพื่อนผมต้องเป็นคนตัดสินใจที่จะดึงปลั๊กเครื่องช่วยหายใจแล้วผมถามหน่อยจงขอบพระคุณพระเจ้าในออเลนะ มันเป็นไปได้ยังไงในการที่พระองค์บอกว่าจงชื่นบานอยู่เสมอจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอจงอธิษฐานอยู่เสมอและจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีผมบอกได้เลยในบ่ายวันนี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับตัวคุณและตัวผมนั้นในสถานาการณ์อย่างนั้นไม่มีใครที่จะออกปากแล้วก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่คุณแม่ไม่สบายไม่มีใครทำได้และพระองค์ไม่ได้ต้องการสิ่งนั้น จริงๆแล้วในพระวจนะคำผมอยากให้เราเข้าใจตรงกันคืออย่างนี้ครับขอบพระคุณพระองค์นั้นการขอบพระคุณนั้นไม่ใช่การกระทําฟังดีๆนะมันไม่ใช่การที่คุณพูดออกไปบอกว่าขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาสันเสรนโปรงอันนั้นอันนั้นเป็นแค่ expression เป็นแค่การกระทําการขอบพระคุณของพระองค์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึก เพราะเกิดขึ้นอยู mm ่กับความรู้สึกเราขอบพระคุณพระเจ้าไม่ได้การขอบพระคุณพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่อยู่รอบข้างเราเฮ้ยถ้าเกิดสถานการณ์ดีเราขอบพระคุณพระเจ้าได้เราจะเกิดสถานการณ์มันเฮงซวยล่ะเราขอบพระคุณพระเจ้าได้มันทําไม่ได้เพราะว่าพระองค์บอกว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีมันมีวิธีเดียวที่ขอบพระคุณพระเจ้าได้คือการที่เรานั้นมีทัศนคติระวางการขอบพระคุณอยู่บนการเลือกที่มันเหนือธรรมชาติ มันเป็นทัศนกติที่เราวางอยู่บนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วพระคัมภีร์บอกว่าจงขอบพระคุณพระองค์ในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์เพื่อเราคือปาลีกําลังบอกว่าในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ก็ยังมีการขอบพระคุณและพระองค์ทําให้ดูด้วยในทุกกรณีที่คริสสั่งผมเวลาที่เราจะ ทำพิธีสินมหาสนิทตัวผมเองผมก็จะอ่านจากาพระคำหนึ่งคนโทรบที่สิบเอ็ดพี่น้องอาจจะเคยได้ยินพระคำนี้เวลาที่มีสินมาสนิทพระเยซูฟังดีๆนะครับพระเยซูบอกว่าเพราะเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบกับพวกเจ้านั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาทรยศพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นพรงทรงหยิบขนมปังแล้วประโยคต่อไปบอกว่าและเมื่อขอพระคุณแล้ว ซึงทงหักและตรัส ว, ว่านี่เป็นกายของเราซ ง, ง, า ง, ง่ายกระทำได้ไหมเราก็เราก็ผ่านสินมาสนิทนี้แล้วเราก็ฟังเพราะว่าแต่เราไม่เคยเข้าใจเลยบอกว่าขนาดที่อีกไม่กี่ชั่วโมงพระเยซูกําลังจะต้องขึ้นไมก้กางเขนอีกไม่กี่ชั่วโมงพระองค์จะต้องรับความผิดบาปของคนทั้งโลกอีกไม่กี่ชั่วโมงพระองค์จะต้องถูกตรึงและรับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหาัสพระองค์นั้นหยิบขนมปังขึ้นมาแล้วพระองค์บอกว่าขอบพระคุณ ผมไม่รู้ว่าคุณนั่งอยู่ในห้องนี้คุณเจอกับสถานการณ์อะไรหรือว่าคุณมีความทุกข์อะไรหรือสถานการณ์ในชีวิตหรือความรู้สึกของคุณเป็นยังไงแต่พระคำในในในบ่ายวันนี้ก็มังหนุนใจเราบอกว่าเฮ้เฮ้ขอพระคุณพระเจ้าเราทำได้ในทุกกรณีเพราะมันคือทัศนคติที่เราวางอยู่บนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขนาดที่ไม้กังเขนอยู่ต่อหน้าพระองค์พระองค์ขอพระคุณ เราต้องวางการขอบพระคุณนั้นมากอยู่บนสิ่งที่แข็งแรงมากกว่าความรู้สึกเราต้องวางการขอบพระคุณของพระเจ้าแข็งแรงบนสิ่งที่แข็งแรงมากกว่าสถานการณ์รอบข้างซึ่งเปลี่ยนแปลงไปได้เราต้องวางการขอบพระคุณพระเจ้าบนบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ต้องเปลี่ยนแปลงพี่น้องเคยเปิดพระคัมภีร์เดิมเคยอ่านท่าชาวฮีบรูซึ่ง ซึ่งไปอยู่ในประเทศอียิปต์ล้วพระเจ้าก็นําเขาออกมาเขาทําได้ดีมากเลยเขาทําดีอย่างหนึ่งแล้วเขาทําอย่างสนุมเหม่อต้นเสมอปลายเลยเขาทําอะไรรู้ไหมเขาบ่นเขาบ่นตลอดทั้งทางตั้งแต่ออกมาจนถึงเข้าประเทศเลยนะคือพระเจ้าบอกจะบ่นไปถึงไหนเนี่ยพระเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นนะไม่มีพระคัมภีร์ตอนไหนเขียนไว้แต่ถ้าเกิดผมเป็นพระเจ้าผมคงคงคิดนะนี่เราพาเจ้าออกมาจาก ประเทศอียิปตเราพาเจ้าออกมาจากกันเป็นท่าจะจะบ่นอะไรกันนักกันหนาเนี่ยแล้วพระคัมภีร์เขียนไปบอกว่าพวกคนอิสราเอลเนี่ยนะบ่นขณะที่อาหารยังเต็มปากอยู่ถ้าเกิดผมเป็นโมเสสฟังดีๆนะถ้าเกิดผมเป็นโมเสสผมจะได้ยินเสียงนี้โอ้ยเอาเราออกมาจากประเทศยีบทําไมเนี่ยอยู่ที่นั่นก็สบายอยู่ละ โอ้ยแดดก็ร้อในเดินอยู่ได้อุย้ยน้ำก็ไม่มีหิวจะตายแล้วเมื่อไหร่จะถึงสักทีเนี่ยสี่สิบปีแล้วบ่นจนกระทั่งโมเสสวันหนึ่งรับรับการบน่นไม่ได้เข้าไปหาองเข้าไปหาพระเจ้าในเต็นท์เลยแล้วก็ศบหน้าลงดินเลยผมรับไม่ได้แล้วนะเนี่ยแต่ผมเข้าใจนะ เพราะมันเป็นธรรมชาติของเราถ้าเราไม่ระวังธรรมชาติตัวนี้ซึ่งเป็นการหาจุดบกพร่องหาอะไรที่จะบ่นไปได้เรื่อยๆเนี่ยนะถ้าเราไม่ระวังนะมันจะคืบคลานเข้ามาในชีวิตมันจะคืบคลานเข้ามาในครอบครัวหลายคนสงสัยทำไมพระเจ้าถึงทำทำ ท, ำทำลายคนอิสราเอลทำไมพระเจ้าถึงลงโทษคนอิสราเอลก็เขามีสิทธิ์ที่จะบ่นนะแต่ในความเป็นจริงแล้ว ถ้าเกิดคุณรู้แล้วคุณเข้าใจว่าการบ่นคืออะไรคุณจะเลิกหยุดบน่นคุณจะหยุดบน่นทันทีเลยถ้าเกิดคุณวันนี้กลับไปบ้านพิมพ์คำว่า com plain, complain complain definition of complain เข้าไปใน Google นะมันจะออกมาบอกว่า expression หรือเป็น express dissatisfaction or annoyance about a state of affairs or an event คือหมายความว่า มันเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในเรื่องบางเรื่องมันเป็นมันเป็นความรู้สึกว่าฉันควรจะได้อย่างนี้แล้วฉันได้แค่เท่านี้แล้วฉันก็ไม่พอใจเพราะฉะ น, นั้นฉันทาได้อย่างเดียวคือกะโะโ ะ, ต ะ, ต ะ, ต ะ, ตะดะะกด ถ้าเกิดวันนี้เรายังบ่นอยู่กับเกี่ยวกับชีวิตของเราเรากําลังบอกกับพระเจ้าทําไมพระเจ้าถึงเกลียดการบ่นของคนอิสราเอลเพราะคนอิสราเอลกําลังบอกว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ไม่พอใจในสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับข้าพระองค์ข้าพระองค์ควรจะได้ดีกว่านี้ข้าพระองค์ควรจะมีผู้นําที่เก่งกว่านี้ข้าพระองค์ควรขณะที่พระเจ้ากําลังทําการใหญ่ทําการอัศจรรย์ในชีวิตของคนเหล่านี้คนเหล่านี้ยังบ่นกับไปหาพระองค์พระเจ้ารับไม่ได้ การบ่นคือการบอกกับพระองค์ว่าข้าพระองค์ไม่ไม่แน่ใจนะว่าพระองค์กําลังทําอะไรอยู่ข้าพระองค์ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะวางใจในสิ่งที่พระองค์กําลังเพราะข้าพระองค์ยังมองไม่เห็นในสิ่งที่กําลังจะดีหรือไม่ดีข้าพระองค์ไม่รู้ข้าพระองค์ไม่ไว้วางใจพระองค์เพราะข้าพระองค์ก็เลยจ้องบ่นเราบ่นเพราะว่าเรากลัวเราบ่นว่าเพราะมันยังคงเคลงเราบ่นเพราะว่ามันยังไม่แน่นอนเราบ่นเพราะว่าเมื่อมาถึงความคาดหวังของเราแล้ว ความคาดหวังของเราและน้ําพระทัยของพระเจ้านั้นไม่ตรงรพล้วคำพีจึงเขียนว่าจงขอบคุณพระเจ้าเพราะนี่คือน้ําพระทัยของพระเจ้าคุณอยากจะหยุดบ่นไหมอ้าวเฮ้ยไม่มีใครตอบเลยคุณอยากจะรู้สึกความความอยากจะเอาไอ้ความดิสซ่าดิสแฟชั่นหรือความรู้สึกว่ามันไม่พอมันมันมันต้องได้กว่านี้มันมันมันยังไม่ดีพอ ล้วอยากจะเอาออกไปจากชีวิตไหมใส่การขอบพระกุลามาแทนไหมการบ่นกับพระเจ้าเป็นการที่บอกกับพระองค์ว่าข้าพระองค์สมควรจะได้ข้าพระองค์สมควรจะมีในบ่ายวันนี้ผมอยากจะถ้าเกิดถ้าเกิดพี่น้องดูซีรีส์ ซีรีส์เขาจะเขียน Series, ซีรีส์ซีรีส์ฝรั่งอะไรก็ตามเกมเมอรนต론 Walking d e a อะไรก็ตามเขาจะเขาจะเขาจะเก็บเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์แฟกเตอร์ก็คื อ, อจุดที่แบบไว้ขายคนก็คือจุดที่มันเปลี่ยนจุดที่มันเซอร์ไพรส์จุดที่มันช็อคผมในในบ่าวนี้ผมไม่ผมไม่เก็บไว้เลยผมอยากจะแบไว้ตรงนี้เลยบอกว่าผมจะบอกความจริงว่าในหนังม้วนนี้ในชีวิตของเราคุณและผมนั้นจะต้องเจอกับความไม่แฟร์คุณและผมนั้นจะเจอ ความอนาถของชีวิตเจอกับความเวลวร้ายของสังคมเจอกับกฎของโลกนี้เจอกับความบาปความชั่วเจอกับความอ่อนแอของตัวเองเจอกับการทดลองคุณและผมนั้นไม่ใช่รู้จักกับพระเจ้าแล้วคุณจะเดินไปได้อย่างกลีบกุลาบแล้วก็กลิ่นหอมแล้วก็คุณและผมนั้นกำลังและอาจจะยังอยู่ใ น, ใ น, ใ, นในความเวลวร้ายของชีวิตพระคัมภีร์คุณเปิดไปอ่านเลยขณะที่กรสัดาวิดเขียน สดุดีบทที่2ีามให้กำลังใจทุกคนเยอะแยะมากมายแต่อย่าลืมกระสัดดาวิดบอกว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินผ่านหุบเขาเงาอะไรนะเ<า>งามัจจุราชคือกระสัดดาวิดนะเป็นกระัดเป็นเป็นผู้ชายที่ที่ตรงตามน้าพระทัยของพระเจ้าเลยนะแต่พระเจ้ายัางอนุ ญ, ญาตให้เขาเดินผ่านหุบเขาเงามัจจุราชกรัดาวิดบอก พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้กับข้าพระองค์ต่อหน้า ต, ต่อตาศัตรูของข้าพระองค์คือหมายความว่ากษัตริย์ดาวิดขณะที่เดินไปในชีวิตเป็นผู้ชายของพระเจ้าแต่ก็ยังมีศัตรูรอบข้างคุณในห้องนี้มีศัตรูไหมถามหน่อยมีไหมไม่ต้องพยักหน้านะมีไหมมีนั่นน่ะชื่อคนนั้นน่ะใช่ใช่ใช จะเป็นคนคนหนึ่งในชีวิตแต่ผมบอกให้เลยการที่คุณเดินกับพระเจ้าการที่คุณรู้จักกับพระเจ้าคุณจะเจอคุณคาดหวังไว้เลยคุณไม่ต้องคาดว่าคุณจะชีวิตมันจะหรูหรามีเรียบง่ายนะการมารู้จักกับพระเจ้านั้นคุณบอกได้เลยว่าความจริงของชีวิตคือคุณจะเจอกับน้ําในชีวิตของคุณน้ําที่อาจารย์ปโลบอกว่าข้าพระองค์ร้องทูลขอให้ออกไปจากข้าพระองค์แต่มันไม่ออกโยบ บอกว่าพระเจ้าทรงประทานให้พระเจ้าก็ทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามของพระเจ้า มันไมไ่ขึ้นกับสถานการณ์ผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนที่ดีมากที่เป็นคนที่รักพระเจ้ามากแต่พระเจ้าเอาทุกอย่างออกไปจากชีวิตของเขาถ้าเกิดเป็นคนธรรมดานะคงจะบน่นคงจะบ่นแบบโอ้โหคงจะน้อยใจขมขื่นไม่เอาพระเจ้ามีหลายคนที่เดินออกจากโบสถ์ไปแล้วไม่หวนกลับมาเลยเพราะเขาไม่เข้าใจจุดนี้ว่าในชีวิตของเรานั้นสถานการณ์มันเปลี่ยนแต่พระเจ้าและความสักด์สิ้อมั่นคงของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยน เพราะถ้าเกิดเราจะขอพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีได้คุณต้องยึดพระวจนะคำของพระเจ้าไว้แล้วคุณบอกว่าพระองค์พระองค์เจ้าข้าพระข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์รักพระข้าพระองค์ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ศัต์สื่อแต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้แต่อาจจะไม่ใช่ความรู้สึกนี้แต่พระองค์ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมเมื่อวานนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจแต่พระคัมพีรบอกว่าขันพระวิญญาณทรงนําพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุลักกันดานเพื่อมาจะทดลองพระองค์ คิดดูสิพระเยซูนั้นยังต้องยังต้องถูกการทดลองจากมารแล้วคุณคุณแลวผมนั้นผมบอกได้เลยไม่ต้องนั่งตรงนี้แล้วบอกว่าโอ้ยชีวิตของฉันเป็ น, เ ป, นเป็นละครหลังข่าวโดนมารทดลองสงสารเธอพระเจ้าอยู่ไหนแตรงแตร ง, ตรงไม่ใช่เลยนะคือคือผมบอกได้เลยว่าคุณนั้นจะเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกับคนในพระคัมภีร์เจอ ถ้าบากูแม้ต้นมันเดือไม่มีดอกบานหรือเถาวงูนไม่มีผลผลเมื่อก่อก็ขาดไปทุ่งนาก็ไม่ผลิตอาหารฝูงแพะแกะขาดไปจากคอกไม่มีฝูงวัวในโรงถึงกระนั้นอะไรนะข้าพเจ้าจะอะไรนะอา้าวไม่มีใครเคยอ่านเลยเหรอข้าพเจ้าจะล่าเริงพี่น้องพี่น้องฟังดีๆนะผมเคยทำงานในฟาร์มอยู่เคนทักกี้เปิดประตูมาเฮ้ยแกะอยู่ไหนอะเฮ้ย หัวาหายไปเฮ้ยสวนไม่มีดอกไม่มีผลฮะเป็นคนธรรมดาจะเป็นไงแต่าบากูบอกข้าพระเจ้าจะบ้าปะเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรในชีวิตขอบพระคุณพระเจ้าอา จ, อาจจะไม่ใช่ขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลรูยานะแต่การขอบพระคุณพระเจ้าอย่างที่ผมบอกมันเป็นทัศนคติลึกๆข้างในมันเป็นมันเป็นการเลือก ที่จะขอบคุณในช่วงเวลาที่ไม่ควรจะออกปาขอบคุณพี่น้องครับในบ่ายวันนี้ผมผมอยากจะบอกว่าการขอบพระคุณพระเจ้านั้นมันจําเป็นจะต้องวางอยู่บนพระสัญญาวางอยู่บนความจริงที่พระเยซูทำรรในชีวิตของเราพี่น้องเคยดูเคย พี่น้องรู้จักคําคําว่าสปอยสปอยไหมโดนสปอยสปอยหนังเคยรู้จักไหม mm hmm. เวลาเพื่อนไปดูหนังมาแล้ว เ, เรามาเล่าให้ฟังตอนจบเคยใช่ไหม mm hmm. เราเกลียดมากเพราะอะไร mm hmm. เพราะเราอยากจะตื่นเต้นกับการดูหนังไป mm hmm. เราไม่อยากจะรู้หรอกว่าจุดจบเป็นยังไง mm hmm. จริงๆเราอยากรู้มากเลย mm hmm. ถ้าเกิดวันนี้เรารู้ว่าพระเอกกับนางเอกยังไงยังไงก็จะแต่งงานกันรักกันตลอดไปแฮปปี mm ้เอนดิ้งในหนังเรื่องนี้เราไม่อยากดูหรอกเพราะเราเรารู้แล้ว ปัญหาที่ทุกปัญหาที่พระเอกกับนางเอกเจอนะจะไม่จะมีมีมมความตื่นเต้น จ, จะไม่มีค่าจะไม่มีการทะเลาะ ก, กันเพราะว่าทำไมรู้ว่าในที่สุดจะแต่งงานกันถ้าคุณและผมในวันนี้ในหนังมวนนี้คุณและผมรู้ว่าในเมื่อพระม่านปิดลงเมื่อฉากสุดท้ายมาถึงคุณจะอยู่กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในสวรรค์อาเมนไหมครับ ผมผมไม่ได้ยินอะไรเลยอเมนไหมเนี่ยคือคุณรู้อยู่แล้วคุณได้รับการสปอยมาแล้วว่าหนังเรื่องนี้ชีวิตนี้มันจะลำบากมันจะโหดร้ายขนาดไหนแต่ท้ายสุดเลยมันจะแฮปปี้เอนดิ้งคุณจะอยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิสอเมนไหมล่ะมันทำให้ปัญหาดูเล็กน้อยมันทำให้ความโศกเศร้ามันทำให้การสูญเสียมันทุเลาลงในวรคัมภีร์ยอนบทที่ส4ีข้อหนึ่งบอกว่าอย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลย พวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราใจของเราทุกอยู่ทุกวันนี้ยใจของเราบนอยู่ทุกวันนี้ใจของเราก็วนกวายอยู่ทุกวันนี้ <c oughs> เพราะเราไม่ได้วางใจในพระองค์เราไม่ได้เชื่อจริงๆว่าพระองค์ทำได้เราไม่ได้เห็นภาพจริงๆว่าพระองค์จะทำอะไรในชีวิตของเราเราไม่สามารถที่จะเห็นว่าความเดือดร้อนความกังวลทั้งหลายทุกอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นผลดีในการสร้างเราถ้าเกิดผมรู้ นะถ้าเกิดผมรู้ว่าวันหนึ่งผมจะมายืนอยู่ตรงนี้ขับรถคันนั้นมีครอบครัวอย่างนี้มีบ้านอย่างนั้นถ้าเกิดผมรู้นะโอ้โหชีวิตผมตอนที่ผมไม่มีเงินเรียนอยู่ที่ซันเม็กซิผมคงชิลมากเลยเฮ้ยไม่มีเงินไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอีกไม่กี่ปีต่อมาผมคงจะโอเคนี่ไม่ได้บอกว่ารวยนะแค่โอเคแต่ในบ่ายวันนี้ผมอยากจะบอกว่าพี่น้องครับคุณวางใจในพระองค์หรือเปล่า เมื่อปัญหาเข้ามาในชีวิตคุณยึดพระคำของพระองค์หรือเปล่าจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีถ้าเกิดคุณวางใจในพระเจ้าแล้วคุณรู้จริงๆในจิตใจของคุณว่าพระเจ้านั้นกําลังควบคุมสถานการณ์ของชีวิตของคุณพระองค์นั้นกําลังปรับเปลี่ยนพระองค์นั้นกําลังทํางานและปาฏของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่คุณกําลังเจออยู่ผมบอกได้เลยการบ่นในชีวิตคุณ จะหดหายไปและการขอบพระคุณของพระองค์จะเข้ามาแทนผมไม่รู้จริงๆว่าคุณและผมนั้นกลังคุณคุณกำลังเจออะไรอยู่ในชีวิตของคุณแล้วผมก็ไม่ทราบว่าคุณกวนกะวายหรือคุณทุรนทุรายหรือคุณเจอกับปัญหาอะไรแต่ผมรู้อย่างเดียวในชีวิตของผมคุณแม่บอกกับผมบอกว่า ผมไม่รู้นะว่าไอ น, นี้เป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าแต่แม่ผมซึ่งเป็นผู้ชายพระเจ้าแม่ผมก็บอกว่าไลฟ์ไลฟ์ ร, รู้ไหมว่าไลฟ์มีของประทานอะไรอย่างหนึง่งบอกอะไรเหรอแม่ไลฟมีความสุขตลอดเวลาเลยเหรอไลฟ์มีความสุขตลอดเวลาขนาะที่เจอกับปัญหากําลังจะสอบแล้วไรยังไม่แคร์ละยังไม่กลัวเลยแต่ยังยิ้มได้เลยขณะที่กําลังจะสอบไฟแนลเนี่ยแม่นะกุ้มใจแทนนะแม่ยังเครียดแม่ยังบน ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นของประทานที่ดีหรือไม่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้ก็คือว่าขนาดที่ผมใช้ชีวิตของผมไปขนาดที่ผมดำเนินชีวิตของผมไปผมรู้อยู่อย่างเดียวความจริงอย่างเดียวพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่ผมเจอและพระองค์เทคแคร์ดูแลรักษา พี่น้องเคยดูหนังเรื่อง forest gum ไหมตอนท้ายสุดของหนังมันจะเป็นมันจะเป็นขนนกที่มันลอยไปแล้วก็มีเพลงตึงนึงดึงดึงึงนังง่นนะ่ะผมรู้สึกว่าชีวิตของเรานะมันเป็นการพัดพาไปของพระเจ้าแล้วเราจะเจออะไรก็บเยอะแยะมากมายสิ่งเดียวที่เรารู้คือเพราะองค์เป็นลมที่พัดพาชีวิตของเราไปแล้วพระองค์จะพาเราผ่านสิ่งที่มัน มันไม่ไหวจริงๆแล้วปากของเราจะสามารถร้องขอบพระคุณพระเจ้าในยามที่เราไม่กล้าร้องในยามที่เรากลัวในยามที่เราขาดทัศนคติของเราจะเป็นทัศนคติแห่งการขอบพระคุณจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องถ้าเกิดพี่น้องอาพระวจนะคำตอนนี้ ไปในชีวิตประจำวันของพี่น้องจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดคริสตจากทั้งคริสตจากนั้นไม่ใช่บ่นว่าเพลงเป็นอย่างนี้แอนน้นที่นั่งอย่างนั้นเราหาเรื่องบ่นได้เยอะแยะมาแต่แทนที่เราจะเราเราเราจะสังเกตเห็นสิ่งที่บกพร่องหรือสิทธิที่เราควรจะมีแต่เรากลับกลายเป็นขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีในชีวิตผมผมไม่เคยไ ม, ไม่ไม่ค่อยเห็น ผมเห็นคริสเตียนมาเยอะแต่มีวันหนึ่งผมเห็นคริสเตียนที่เป็นเหมือนกับพระเยซูที่ทำบางสิ่งบางอย่างที่ผมอยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นจริงๆว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างระหว่างคริสเตียนคืออย่างนี้ผมกำลังเล่นปิงปองอยู่ในสตูดิโอเซ็นเตอร์ที่เมกาแล้วก็อาจารย์ก็อาจารย์ผมเอาเอากีตาร์ กีต้าร์เขาตัวละห้า0มื่นมาวางไว้ข้างหลังผมแต่เขาก็วางแล้วเขาก็ฝากเพื่อนไว้แต่ยังไงอีท่าไหนไม่รู้เขาก็วางตั้งไว้โดยที่ไม่ได้พิงผมก็ตีปิงปองผมก็ไม่รู้ผมก็ขนาดจะหวดใส้แล้วเท้าก็ไปสกิดโดนกีต้าร์ลม้มตึงหันกลับมา <c oughs> กีต้าร์ตัวละห้า0มื่นของอาจารย์ ก็เอากล่องไปวางอยู่บนโซฟาแล้วก็ไม่ในใจนะถ้าเกิดไม่เชื่อพระเจ้าก็จะแบบโอ้ลูกพอ่อลูกแม่ลูกช้างอะไรก็ไม่รู้อะช่วยด้วยก็แล้วกันก็เปิดหวังว่าข้างในจะโอเคเปิดออกมาคอกีตาร์หักครึ่งเลยนะสายขาดกระจุยกระจายคอหักผมน่าซีดไม่รู้จะทํำยังไงต่อนะทําอะไรไม่ได้เลยนะ เงินเงินจะซักผ้ายังไม่ค่อยมีนะนี่ต้องมีเงินอีกห้ามืนไปใช้เปิดมาปุ๊บไม่ถึงหนึ่งนาทีอาจารย์คนนั้นเดินเข้ามาคือในใจหัวใจไปอยู่ที่ตะตุ่มแล้วนะอาจารย์บอกอ๋อจะดูกีตาร์เหรอ you you want to see my guitar oh, ผมเห็นแล้วผมไม่อยากจะให้อาจารย์เห็นไม่ใช่อะไรหรอกผมก็บอกอาจารย์หันไปหาอาจารย์บอกว่าโอ้ผมเกิดอุบัติเหตุขึ้นคือผมไป ไม่รู้จริงๆว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วอาจารย์ก็บอกไหนขอดูซิอาจารย์ก็หน่าซีนนะเปิดกล่องกีตาร์มาหน้าแบบ เ, เราก็ลุ้นอาจารย์จะด่าอะไรอาจารย์จะให้ใช้อะไรสิ่งแรกที่ออกมาจากปากอาจารย์คือขอบพระคุณพระเจ้ามันไม่อยู่ในกรอบมันไม่อยู่ในเฟรมเวิร์ของความคิดของผม ทำไมอาจารย์คนนี้ถึงขอบพระคุณพระเจ้าในช่วงเวลาที่ไม่ควรจะขอบคุณเลยพี่น้องครับในในบ่ายวันนี้ผมอยากให้ทัศนกติที่มีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นอยู่ในตัวของเราด้วยคือการที่เราจะเดินออกจากห้องนี้แล้วเราเจอกับสถานการณ์ไม่ว่าดีหรือร้ายเราจะขอบพระคุณพระองค์ในทุกกรณีให้เราได้ร่วมใจในนิฐานนะครับ ข้าแต่พระดจ้าครับพระองค์เข้ามาหาพระองค์ในบ่ายวันนี้ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สําหรับไม้กางเขนข้ารขพระองค์ขอบคุณสําหรับความรอดเพราะความรอดของพระองค์นั้นทําให้ข้าพระองค์สามารถขอบคุณในเรื่องที่มันแย่ๆในชีวิตอีกมากมายพระองค์เจ้าข้าขอที่อย่าให้ข้าพระองค์นั้นคิดเล็กคิดน้อยกับพระองค์ อย่าข้าพระองค์นั้นกลัวจนเกินไปอย่าให้ข้าพระองค์นั้นคาดหวังในสิ่งที่มันเป็นความความคาดหวังของข้าพระองค์แต่เพียงคนเดียวขอที่ข้าพระองค์นั้นจะเห็นว่าพระองค์นั้นกําลังทําอะไรอยู่ในชีวิต ที่ข้าพระองค์นั้นจะวางใจพระองค์ที่ข้าพระองค์จะยึดพระวจนะคำของพระองค์และพระสัญญาของพระองค์ที่ข้าพระองค์จะรู้ว่าพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และพระองค์เป็นพระเจ้าผู้พาชนชาติอิสราเอลออกมาจากประเทศอียิปต์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แหวกทะเลพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เลี้ยงดูข้าพระองค์ตอนที่ข้าพระองค์ไม่มีเงินและในวันนี้พระองค์จะทําได้ในปัญหาของข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอให้ชีวิตของข้าพระองค์นั้น เป็นคำพย า, ยานอันยิ่งใหญ่เมื่อข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในวิกฤตขอที่พระองค์จะทรงเปลี่ยนทัศนคติของข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์จะเลือกและตัดสินใจในบ่ายวันนี้ที่จะขอบพระคุณพระองค์ในทุกกรณีพระองค์อธิษฐานขอบพระคุณในพระนามพร ะ, ยะเยซูคริสต์เจ้า amen จะตอบสนองพระคำของพระเจ้าด้วยบทเพลงขอตอบแทน <c oughs> พระคุณนะคะก็พระคุณในทุกสิ่งที่พระองประทานในทุกทางที่ข้าเดินติดตาม รู้ว่าพราะองค์ดูแลรู้ว่าพราะองค์ทรงนั่งขอบพระคุณไม่ว่าข่าต้องเผชิญสิ่งใดข้าไม่กลัวแล้วจะไม่วันไว้ กำลังแห่งชีวิตข้าเชื่อลวไว้วางใจข้าพร้อมจะทำตามพระใจมองจะไว้สิ่งที่มีได้พระเจ้าผู้แสนดีชีวิตนี้ก็ต่อทน่พราะคือ ตลอดวันคืนในชีวิตคือขอบพระคุณพระเจ้าเราจะร้องอีกเที่ยงเดืนนะคะขอบพระคุณในทุกสิ่งที่พระอประทานในทุกทางที่ข้าเดินติ รู้ว่าพระองค์ดูแลรู้ว่าพระองค์ทรงนำขอประคุณไม่ว่าข้าต้องเผชิญสิ่งใดข้าไม่กลัวและจะไม่ w h y i s i n g to me, that a j u t put aside. This l i e this all together. ออสิ่งเดียวที่จะทำตลอดวันคืนในชีวิตคือขอพระคุณพระเจา้า อยากจ ะ, ะกล่าวถึงช้อยคำจากพระวจนะของพระเจ้าที่บอกว่าบางคนยิ่งจำน่ายยิ่งมั่งคัง่งบางคน ย, งยิ่งยึดสิ่งที่ควรจำน่ายไว้ยิ่งขัดสนก็มีบุคคลที่ให้ใจกว้างขวางย่อมได้รับความมั่งคัง่งบุคคลที่รดน้ำเขาเองจะได้รับการรดน้ำในเวลานี้เราจะมีโอกาสถวายเกยียรติพระเจ้าด้วยการถวายทรัพย์พร้อมกับบทเพลง ในฟิลิปปีบทที่4ีขอสีนะคะจงชื่นชมยินดีในพระเจา้าทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระเจา้าอยู่ทุกเวลา จงชิ่นชมยินดีในพระองค์อยู่เสมอไปจงชิ่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชืนชมยินดีในพระองค์พระเจ้าของเราย้ายฉันจุกระในสิ่งใด ด้วยการวิ่งวอดขอบประคุณแล้วสติสูขในพระเจ้าจะคุ้มครองความคิดและจิตใจให้ท่านประสงบในโองพระเยซูผู้เดียกอย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใดอย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด สิ่งต่อพระองค์ด้วยการอาจิษฐานด้วยการวิ่งวอขอประคุณและสติสุขในพระเจ้าจะคุ้มครองความคิดและจิตใจให้ท่านปักสงบในองค์พระเยซูพุตรี ใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าชีวิตของข้าพุทธทั้งหลายนั้นอยู่ใต้ร่มพระคุณของพระองค์ด้วยความรักด้วยพระเมตตาของพระองค์ข้าพุทธขอมอบชีวิตถวายแด่พระองค์อีกครั้งหนึ่งขอนำทรัพย์พระทสังที่พระองค์ทรงประทานให้นี้คืนยังพระนิเวศของพระองค์โปรดให้จิตใจของข้าพุทธทั้งหลายจดจ่ออยู่ที่พระองค์และให้ทรัพย์นี้ที่จะเป็น ประโยชน์เป็นพรสู่ผู้คนอีกมากมายเพื่อแผ่นดินของพระองค์ที่จะขยายออกไปขอขอบพระคุณพระองค์มอบทรัพย์นี้ด้วยใจขอบพระคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบ่ายวันนี้เราจะเข้าสู่พิธีมหาสนิทด้วยกันเพื่อจะน้อมน้ำลึกถึงพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์ เป็นการเข้าด้วยการขอบพระคุณเปรตสุขิจเจ้าได้ยอมสละพระชนชีพของพระองค์ระากายของพระองค์นั้นต้องแตกหักเพื่อนำเราทั้งหลายนั้นให้คืนดีกันกับพระเจ้าพระบิดานำเราให้คืนดีกันกันกบพี่น้องโดยพิธีนี้เราต่างมีความเรามีความมั่นใจว่า เราทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระองค์คือคริสตจักเรามั่นใจว่าเราเป็นอิญเดียวกันโลหิตของพระเยซคริสต์เจ้าที่ได้หลั่งไหลบนไม้กางเขนนั้นเพื่อชําระล้างความผิดบาปของทั้งสิ้นของเราโดยพระเยซูคริสต์ความบาปของเราจรึงได้รับการให้อภัยแล้วเรามีชีวิตอยู่ได้โดยพระองค์เรามั่นใจว่าเราอยู่ในพระองค์ของพระคริสต์เจ้าทรงเป็นเท้าวอุ้มูล เราทั้งหลายนั้นเป็นขนงเชิญพี่น้องที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริจจักทุกแห่งนะครับเราเป็นขริจจักสากลบริสุทธิ์ในการรับขนมปังและน้ ำ, นำอ ง, งุ่นในพิธีนี้สำหรับพี่น้องที่ได้รับเชื่อแต่ว่ายังไม่ได้รับบัติศมารหรือว่าพี่น้องที่รับบัพติศมาเด็ก แต่ว่ายังไม่ได้ประกาศความเชื่อเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของที่จักรก็ขอให้งดรับขนมปังและน้ําองุ่นนี้ก่อนนะครับเพื่อเมื่อท่านเข้าสู่พิธีพิธีบัพติศมาหรือว่าพิธีประกาศความเชื่อแล้วนั้นซึ่งเป็นการเข้าพันธสัญญาขององค์กับองค์พระเุทธเจ้าก็เป็นเวลาที่สมควรเหมาะสมที่เราจะได้เข้าพิธีมหาสนิทซึ่งเป็นการฟื้นพันธสัญญาที่องค์พระพุทธ เ, เจ้า ประทานให้กับเราเป็นการช่วงเวลาของพิธีมหาสนิทเป็นการที่เราจะทบทวนความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าการเชื่อฟังของเราการติดสนิทของเราต่อพระวจนะการเชื่อฟังพระวจนะการความสัมพันธ์ของเรากับพี่น้องเป็นเวลาที่เราจะเริ่มต้นกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง การเวลาแห่งการคืนดีเหมือนกับองค์พระเจ้าที่ส่งให้เราได้คืนดีกันกับพระองค์ขอเราใช้เวลานี้ใครครวญอธิษฐานส่วนตัวสักครู่หนึ่งครับ พระแต่พระเจ้าพระบิดาที่รักแห่งข้าพระองทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิทธิพิเศษที่พระองค์ทรงให้ข้าองค์หลายได้อยู่จะเพราะพระภัก ข, ของพระองค์ณบริสุทธิ์จากสิทธ์นี้เพื่อจะรื้อฟื้นพันธสัญญากับพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ขณะที่ข้างหลายขาดการเชื่อฟังไม่ได้ติดสนิท ไมได้ติดตามพระองค์ด้วยความเต็มใจขอบพระคุณพระองค์ที่องค์พระสุิยเจ้าที่พระองค์ทรงประทานพระสุริยเจ้าพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ติดตามข้าพระองค์ทั้งหลายและสิ้นพระชนเพื่อข้างไหลข้าแต่พระเจ้าขอทรงอภัยในความผิดบาปขอโปรดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ช่วยในความห่นแอในความบกพร่องโปรดให้ข้างไหลมีชีวิต ตามอย่างขององค์เพรสคริสต์เจ้าเชื่อฟังและท่อมใจเ ห, หลืองใารจะเป็นพันักกรของพระองค์เป็นสาวกที่ดีของพระองค์โปรดให้พิธีนี้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์อธิษฐานในพระนามของเพรสคริสต์เจ้าอามนในคืนที่เขาอายัดองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นองค์เพรสคริสต์ได้ทรงจิบขนมปังขึ้นมาเมื่อพระองค์ โมทนาพระคุณแล้วพระองค์จึงทรงหักออกและตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทําอย่างนี้ให้เป็นที่รู้ลึกถึงเราขอพี่น้องที่จะรับขนมปังนี้ไว้และรอรับประทานร้อบกัน ให้เรารับประทานพร้อมกันให้ขึ้นระลึกถึงความรักขององค์พระสุกิตเจ้าเมื่อรับประทานเสร็จแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกันและตรัสว่าถ้วยนี้เป็นพันธสัญญาใหม่ โดยโลหิตของเราพี่น้องที่รักเมื่อเราทั้งหลายรับประทานและดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดเราก็ได้ประกาศการวาระชนขององค์พระสิทิ์เจ้าจนกว่าพระองค์จะเสร็จมา ขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นเพื่อเราดื่มให้เป็นที่ถวายเกียรติและรลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญขอรวมใจกันอนทิฐิฐานและรอพระพรขอความรักของพระบิดาเจ้าสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า และความสนิทสนมการเล่าลมใจการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่ท่ามกลางขับโลงทั้งหลายนับแต่บัดนี้พรุงนี้และสืบสืบไปเป็นนิดอเมนขอเชิญ น, นั่ง ท่านพี่น้องครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้แล้วก็เราขอบคุณท่านจันวระนะครับที่ได้มาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับเรานะครับเดือนนี้ยังมีอีกคิวหนึ่งนะครับวันสิ้นเดือนใช่ไหมครับอาจารย์ <c oughs> ถ้าจำไม่ผิดครับผมก็ต้องรับพี่น้องทุกๆท่านนะครับไม่ทราบว่าเมื่อี้มีท่านใดมาเป็นครั้งแรกมีไหมครับเมื่อผมมองแล้วจริงๆแล้วทุกท่าน มีหนึ่งสองท่านนะครับอยู่ด้านข้างได้กรุณาแนะนำชื่อนิดหนึ่งนะครับท่านพี่ผู้หญิงครับค่ะเดี๋ยวฉันชื่อหน่อยนะคะแล้วสมบูรณ์อภิวงค่ะครับผมมาจากมินบุรีมินบุรีค่ะครับผมครับยินดีต้อนรับนะครับครับอีกท่านนึงครับอ๋อมิสเตอร์ f ชาฟิกฟอร์มสวนะคะโอ้ยินดีต้อนรับครับ Thank you ครับผม มาจากสวีเดนค่ะสวีเดนนะครับครับผมยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับครับก็อยากมีขอบคุณครำเชิญนั่งครับมีเรื่องประชาสมติให้กับพี่น้องนะครับใครอยากจะทานอาหารเหนือกิ่นครับเข้าเมืองนะครับวันอาทิตย์หน้านะครับตอนเที่ยงนะครับวันที่19เรามีบาซานะครับของที่จัดซึ่ง อตอนเที่ยงนั้นเราจะไม่ไม่เลี้ยงอาหารนะครับจะให้พี่น้องซื้อทานแต่ปกติพี่น้องก็มาบ่ายอยู่แล้วนะ้องไม่ค่อย <c oughs> แต่มีบางท่านที่มาเช้านะครับอยู่เช้า <c oughs> ก็เชิญชวนนะครับมาช็อปปิ้งนะครับมาทานอาหารแล้วก็มาสนุกด้วยกันหลายได้ทั้งหมดนะครับที่เราได้วันอาทิตย์หน้าเนี้ยเราจะไปช่วยสตรีภาค6แต่ว่าสตรีภาคหกเนี่ครับ จะไปะช่วยหมวดริสเตียนพระประแดงซึ่งอยู่ในสังกัดภาค6กเนี่ยเป็นเบื้องหลังก็คือเป็นพี่น้องที่เป็นเป็นโรคโรคเรื้อนนะครับแต่ว่าลูกลูกหลานนันก็หายแล้วนะครับแต่ว่าเราจะนำรายได้ส่วนนี้ไปช่วยเหลือพี่น้องที่นั่นในการดูแลคิจักนะครับและก็ ส่วนหนึ่งก็จะไปจัดงานคริสต์มาสให้กับเด็กด้อยโอกาสนะครับเด็กกาพร้านะครับก็เชิญชวนพี่น้องที่มาร่วมสนุกด้วยกันนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่26นะครับช่วงเช้านะครับเชิญชวนพี่น้องมาร่วมประชุมหุ้นของเราพี่น้องถือหุ้นแล้วนะครับเมื่อกี้ใส่ถุงถวายไปแล้วมีหุ้นแล้วนะครับ<ม>ก็คือว่าประชุมสมาชิก ประชุมสมาชิกจากหรือประชุมสปุรุษนะครับครั้งที่สองปีนี้ครั้งนี้จะมีการาดูงบประมาณปีหน้านะครับถ้าพี่น้องไม่มาพี่น้องอาจอารอ บ, บายอาจจะถูกตัดงบไม่ได้ขูนะครับแต่มีอยู่แล้วมีงบอยู่แล้วนะครับถ้าพี่น้องอยากเพิ่มงบนะอยากทำอะไรนะครับมามาไม่พอใจอย่างเงี้ย แต่ว่าอย่าบ่นนะครับมาแนะนํา <laughs> อาจารย์บอกเราแล้วเมื่อกี้นะครับเรามาแนะนําด้วยกันนะครับว่าพันธกิจของเราเราอยากจะตืดๆๆนะครับในวันที่26นะครับช่วงประมาณ11บเอ็ดโมงงครึ่งนะครับที่เราจะมีประชุมสมาชิกริจจ์ะนะครับประชุมผู้ถือผู้ถือหุ้นนะครับอันนี้เป็นสิทธิขอโทษไม่ใช่สิทธิอย่าเรียกร้องสิทธิมันเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่ ที่เราทุกคนเป็นสมาชิกของคลิจักนะครับคนที่ไม่เป็นสมาชิกก็มาได้ครับมารับฟังว่ า, าโดยรวมของคลิจักทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราบางท่านอาจจะมาเฉพาะรอบรอบบ่ายเนี่ยอาจจะไม่เห็นรอบเก้าโมงเข า, เามีกี่คนรอบ10บโมงนี้มาเป็นสามสี่ร้อยมาได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับเร า, ม า, ม, ามารับฟังด้วยกันนะครับแล้วก็วันที่5ธันวาคมไม่เป็นไรครับวันพ่อวันหยุดเนาะ ข่าวดีนะครับวันที่ห้าธันวาคมวันหยุดวันหยุดนะคะตะเลิกนะครับวันพ่อแห่งชาติแลวันที่